50 languages. เ6็ห h t e r เหตุผลบางประการสองว่าจะพูดอไมคุณไม่ได้มาล่ะคะดิฉันไม่สบายค่ะ แม่ป่วยมากดิฉันไม่ได้มาเพราะไม่สบายค่ะแม่ไม่ได้มาเพราะแม่ป่วยมากทําไมเธอถึงไม่มาล่ะคะวูต์ทำไมไม่มเธอเหนื่อยค่ะวุตทกกี้หุ่เธอไม่ได้มาเพราะเธอเหนื่อยค่ะวูต์ไม่ไ เพราะว่าเธอทักที่ทไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะคะว่า่าเขาไม่มีอารมณ์ค่ะที่ต้อเขาได้มาเพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาค่ะวันนี้เขาไม่ะเขีอาจ ทำไมพวกเธอถึงไม่ได้มาล่ะคะตุ้มลูกคิวนะเฮียรถของเราเสียคะ่ะฮามารีก๊าดีคราบเฮเราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียคะ่ะฮัมไม่ได้มาเพราะรถของเราเสียค่ะทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มาคะลูกคิวนะเฮีย พวกเขาพาลาดรถไฟค่ะีเทรนชูดไพวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพาลาดรถไฟค่ะพวกเขาไม่ได้มาเพราะพวาลดรถไฟกข่าพราวกเขาพลาดรถไค่ะกมกเรไคไม่ได้กเขาพาถไฟพไม่มาเรกไคะุะพวไม่มาถค่ะกไม่มาดไค่ะกไม่ได้รับพวเาลาไ่ะพวกเขม่ได้รขาพล ดิฉันไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาตไม่นี่ไม่ได้รับอนาญาตไม่ได้รับอน